ขอกขารคณะสงฆ์จรัญพรมนยงอนองญาตยมตอนนี้วันจาวอาทิตย์ที่เจ็ดเด่นกระกฎาคมพุทธศักราองพันห้าร้อยห้าสิบหกเราก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าตามวัดสวดมนอนกัน ก็มีความรู้สึกตัวไปกาการทำกิจวัตรประจำวันกับการใช้ชีวิตนั่งเดินยืนนอนเป็นการกลับมาเราเชื่อว่าการกลับมาแต่ละขณะที่บทว่าที่กายเวณาจิตธรรม ตั้งเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดไปบัตรเราก็เรียนตามพ่อก่อตามครูคนที่เราเคารพสัทธาเริ่มใส่ท่านแนะนำชี้นำท่านสั่งสอนท่านปรารถนาดีว่าท่านทำอย่างนี้แล้วท่านสบายอกสบายใจทุกลดลงหรือว่าไม่ทุก เราได้ยินได้ฟังแเรวก็มีครั้งเราเจเป็นไปได้นี่ยว่ า, าหลักปฏิบัติการเจริญปสีฐานเป็นไปได้เราจะได้เห็นตัวกิเลสนีตัวกิเลสจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวกิเลสก็คือความโกรธความโลภความหลงความรักความชัง ความวิชาลิสยามายาสาไถยเห็นผิดเป็นถูกมันก็เป็นเรื่องของความคิดนะเป็นเรื่องราวของความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเราเด่นเหตุของมันะกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์กิเลสมัเป็นผลของเหตุ เหตที่ไม่เคยฝึกการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวปฏิบัติรมว่าตามรู้ไปกับลมหายใจต้องพองยุกไม่เคยฝึกเคยได้ยินแต่ว่าไม่เชื่อแต่พอมันถึงเวลาเข้าตาจนขึ้นมาถึงทางตันของชีวิตแล้วมันสับสนยุ่งเหยิง เหนว่ามันจะมีทางปลอดภัยทางผลนทุกข์แล้ว่าศรัทธาเริ่มใส่แล้วก็น้อมก็มาใส่ตนปฏิบัติทำลงมือทำแล้วก็ทําให้ถูกแล้วก็ถูกทำการเดินจงกรมเดินยังไงทําให้ถูกถูกทำการนั่งสร้างจังหวะทําให้ถูกถูกทำทำถูกได้ถูกทำนะทาถูกทำ ตามที่ผู้รู้หรือว่าคนที่เราได้ยินได้ฟังนะันนะเสร็จแล้วเราก็น้อมาทำจนถูกทำเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกสัมผัสกระทบวิญญาณธาตุตัวนี้กายวิญญาณเราได้เห็นมโนวิญญาณจิตใจของเรานะอาการต่างๆริมปลายกดขึ้นมาขณะที่รู้สึกเวลามันถูกทำมันก็ปกติอะนะนะ ทำถูกถูกทำกับปกติฮะเราก็เห็นการเปลี่ยนไปของมันก็คือแทนที่มันจะออกไปข้างนอกสนใจเรื่องนอกมันก็รู้โดยไม่ต้องสนใจมันรู้ทางต า, งางกระทบลูกหูกระทบเสียงมันรู้มันไวไวพอที่จะรู้มันเป็นตัวรู้ที่ทํางานอย่างว่องไวอันนี้นเป็นลนักษณะของปรากฏการณ์ ขณะที่เราฝึกหัดปฏิบัติขยันปฏิบัติลงไปได้เห็นเมื่อก่อนไม่ไปฏิบันั้นไม่เห็นมันเผยหลงได้ทั้งวันทั้งตาไปกระทบรูปทางหูไปกระทบเสียงแล้วรปรุงแต่งไปพอใจไม่พอใจสุขๆุทุกๆตอนนี้เราเห็นแล้วว่ากระบวนการนี้มันถูกหั่นให้สั้นลงรู้ตัดรู้ตัดรู้ตัดยกรรมมันหลุดมันหล่นไปเลยตัดกรรมเลย ไอ้ที่เคยคิดเคยพูดเคยทําเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเคยโลภคกดเครหลงถูกตัดลงไปเลยประทับใจจำไม่ลืมเหมือนรอยเมฆกียบนหินจำไม่ลืมเลยนะถ้าลองเกียดใครแล้วเกียดเข้าไส่ไม่อยากเข้าใกล้เกียดเข้าไส่เข้ากระดูกดำไปแล้วถ้าได้ทําอะไรสาสตรใจมึงไปแล้วโอ้โหมันรู้สึกมันมันมากเลยตายก็ยอม ตรงนี้จะเป็นประเภทยิงห้ามมั น, นยิงยุงเลยทันทีชี้โพงให้ก็ลก่อกระโดดเลยมันสะใจประชดประชันนะแต่ตอนหลังมันมีความกออมันไม่ใช่อันนี้เป็นแก่นธรรมจริงๆแก่นธรรมก็คือมันเป็นลนักณะของความรู้สึกตัวนะเข้าถึงแก่นแบ น, นี้มันไม่ใช่แค่ตัวกายอย่างเดียวเป็นเวนาจนจิตเป็นธรรม ตัวกายอย่างเดียวเป็นรุ่นเป็นก้อนเป็นเรื่องของผู้ฝึกที่ต้องเริ่มต้นการเปิดประตูใจก็ต้องเห็นการเคลื่อนการไหวนี่แหละแต่เราจะเจตนาหรือไม่เจตนานั้นเป็นเรื่องของกำลังสติปัฏฐานที่มันทำงานของมันอย่างว่องไวถ้ามันเฉยมัรู้ของอย่าท่าละเอียดมันมีพลังมันก็เห็นอะไรมัมปลันนิดลงไปลึกซึ้งทราบซึ้งลงไปจะว่าก็ยังไงถึงตรงนี้แล้วะ ถาเราไม่ได้กลับมาฝึกหัดกลับมาหาความรู้สึกมันจะอีกกี่พบกี่ชาติกันจะอีกเมื่ อ, อไร่มันจะเป็นไปได้ไหมนะบัลลไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักกลามมันดื้อมันด้านตรงนี้เราก็จึงเรียกว่าเห็นตัวเองกันยิงปฏิบัติยิงเห็นตัวเองชัดเลย อะไรริมเป็นจริงอะไรริมเสียแซงแก้งทําอะไรมันปากอย่างใจอย่างอะไรตรงกันมันจะได้เห็นในตัวเราเนะอะไรที่มันเปลี้ยวอะไรทีเป็นใบพลนะิบอะไรที่เป็น ก, ก, ออกลับกอกหลอกรวมก้ล่อนนะมากอกสามตะก้าปล า, าไม่ถูกมันจะได้เห็นเลยในตัวเราเนะ่ทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอะไรที่มันจริงอะไรมันเท็จมันอยู่ตรงนี้แหละ เราจะต้องตอบคำถามของตัวเราตอบโจทย์ของสังคมโดยการมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเว น, นิ่งก็นิ่งเวลาจะพูดก็พูดมันมีอยู่แต่ถ้าอยากก็จะไม่พูดถ้าอยากก็ไม่เอาตัวอย่างต้องเป็นได้มาโดยชอบโดยชอบการงานชอบพูดชอบมีความเห็นชอบ หมาว่าความเห็นชอบเนี่ยมาก่อนเห็นชอบเห็นถูกเป็นมรรคนะมันเห็นชอบเห็นถูกก็มีการปัจเจกถูกมันก็เห็นการแก่การเจ็บการตายมันเห็นมันถึงได้คําตอบจะเห็นความแก่เป็นธรรมดาก็ต้องมีความแก่ที่ไม่ธรรมดาก่อนพอมีความรู้สึกตัวลงไปก็เป็นความแก่ที่ธรรมดา มันจะมีความเจ็บที่เป็นธรรมดาธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องมีความเจ็บที่ไม่ธรรมดาก่อนเจ็บแล้วอดแล้วโอยไม่ต้องมาแค่นั่งยกมือสิบสี่ชั่งกว่าเราจะเห็นความเจ็บเป็นธรรมดาไหมลองนั่งยกมือสิบสี่ชั่งกว่าดูเจ้าอ่อนแอปลอก บ, บางไปเลยนั่งก็โอยลูกก็โอยไม่ไหวแคบไปเลยมันจะเป็นธรรมชาติได้ไหมก็อลองดูยิ่งความตายไม่ต้องพูดถึง มันไม่ต้องแค่ตายหรอกนะแค่ว่าการที่เราใช้ชีวิตนั่งเดินยินนอนเนี่ยแหละบางทีอารมณ์บางอารมณ์เรามีการเสียดายไหมเวลาปฏิบัติมันเบามันโล่งมันผ่อนคลายมันตื่นตัวพอเวลาปฏิบัติใหม่มันหายไปเสียดายไหมมันตายไปแล้วเสียดายอะไรวบนั้นไหมหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่เป็นสมบัติผัสกันชมนี ควาสีหายไปเสียดายไหม <c oughs> <N ee> น, นั่นเราคือตัวกิเลสมีกุศอยู่มีบ้านอยู่มันเล้าเป็นยังไงเจ็บอกเจ็บใจไหมหรือว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างหลังคาดีใบไม้หล่นลงมาหรือว่ากิ่งไม้หล่นใส่โครมเป็นไงไหมฝึกพัดพลากของรักของชอบใจก็คือตัวเราเองต้องจากตัวเราเองดินสู่ดินน้ําสู่น้ํนนดดนนาลมสูมล่มสลมไฟสู่ไฟ อันนั้นเป็นคําตอบสุดท้ายอจอดสุขข้อสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าก่อนที่มันจะตายนะหลายสิ่งหลายอย่างมันปรับเปลี่ยนไปนะตามเหตุปัจจัยของโลกนะีมีความรู้สึกยังไงกับมันนะตรงนี้ต้องตอบด้วยตัวของตัวเองกัน <c oughs> แล้วก็ต้องเป็นคําตอบที่จิตมันคืนสู่สภาว่าปกติรู้เนะื้อรู้ตัวนะรู้ปัสจานะรู้ปัจจารู้การสัมผัสกระทบนะ ทุกๆปรา ก, การอกันเป็นแค่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเฉยๆมันไมเป็นการปรุงกันแต่งของความคิดเป็นจริยนิสัยเราคิดเอาเองคุยกับตัวเองอย่างนี้ส่วนใหญ่ชอบคุยกับตัวเองจะแล้วก็รีบสรุปพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้รีบสรุปเราไม่ได้ด่วนรับไม่ได้ด่วนปฏิเสธนะคำนี้ไม่ได้รับไม่ได้ปฏิเสธเห็นอย่างที่เห็นนะได้ยินอย่างที่ได้ยิน ไม่ได้สรุปอะไรไม่ด่วนสรุปเวลารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ด่วนสรุปส่วนใหญ่เรารีบด่วนสรุปพอด่วนสรุปก็สรุปตามความคิดไอ้ที่รู้ก็ไม่จริงไอ้ที่จริงก็ไม่รู้อะที่พูดไปมันพูดตามที่เรารู้ไม่จริงเขาว่าเราว่าแต่ความเป็นจริงคือสัจจะนนมันมีเขาบรรจุไอ้นี่ทนต่อการพิสูจน์ต้องใช้แล้วหนาของ การดูจนเห็นครบกระบวนการของมันเพราะฉะนั้นจะสรุปคนว่าดีไม่ดีให้สรุปตอนตายเถอะตอนตายอ่ะอ๋อมันจบแล้วอีชาติหนึ่งของมันนะตอนนั้นนะจะยกมือไหว้คนก็ยกถึงตรงนั้นไหว้ตอนตายเพราะฉะนั้นคนร้ายขนาดไหนเลวขนาดไหนเวลาตายเราไปไหว้ศพไหว้ทุกศพนะเห็นมีใครไหว้ตอนเป็นแต่คนไม่ดีนะแต่ตอนตายเนี่ย ขอโทษทีงขอโทษทีิไม่ต้งคนทีนะ่เป็นเพชรฆาตประหาร น, นักโทษในเรือนจำก็ตามทำหน้าที่เสร็จแล้วเขาไม่ดีขนาดไห น, นก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโวยขออภัยบางทีหนึ่งปีก็มาทำบุญสักครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ไหว้ก็อยู่นั่นนะอันนี้บอกถึงท้ายสุดมันก็เป็นเรื่องของใจเรา ที่เราจะต้องกลับมาหาตัวเองกันกลับมาหาแก่นแท้ของชีวิตกันแก่นของมันก็คือความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวแต่ว่าทํำยังไงถึงจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมทํายังไงถึงจะรู้สึกตัวทั่วสัตว์ปางกายตัวนะี้มันก็ต้องฝึกหัดกันเรียกว่าต้อน ต, ตื่นยันหลับตื่นยันหลับตื่นยันหลับให้ต่อเนื่องความต่อเนื่องนี้มีผลเช่นน ความต่อเนื่องของตัวอักษรแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวทําให้เป็นหนึ่งคำขึ้นมามหนึ่งพยางเพอมันต่อต่อต่อต่อต่อต่อไปก็เป็นหนึ่งประโยคพอต่อต่อต่อต่อต่อกันไปเป็นหนึ่งบทอย่างนี้ยเราก็เคยเรียนหนังสือมาทุกคนหรือแม้กระทั่งคําพูดเดี๋ยวนี้นี่ยแต่ละพูดแค่กอไก่กอไก่กอไก่กอไก่กอไก่กอไก่ แล้วก็กไก่กอไก่กอไก่กอไก่กอไก่แล้วก็กไก่กอไก่กอไก่ก็กมันจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยก็ไก่กอไก่กันทั้งวันนั่นแหละแต่พอเราผสมกันเออกินพอเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของเกียรติอ๋อเป็นเรื่องของกินเหลรตอ๋อมันเริ่มมีความหมายหลายๆความหมายในหลายๆอาการใส่ลงไปเราจึงได้เห็นความรู้สึกตัวนั้นเป็นคําตอบจริงๆ มันทำํำไมเราเห็นไกาเคลื่อนไหวเห็นใจมันนึกมันคิดอย่างนี้มันเป็นความต่อเนื่องของการปฏิบัติการเห็นไกลเคลื่อนไหวนันก็เป็นลักษณะหนึ่งเป็นกําลังของสติสมาธิอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องกําลังของปัญญาที่มันกำลังปรากฏขึ้นมาแต่พอมันหลงไปมันหลงไปตามความคิดอันนั้นเป็นปัญหาเราเลยเห็นแล้วระหว่างการเดินทางการถอย ห, หลัง ถ้าเราไม่รู้เราก็ถอยหลังลงไปเลยแต่ถ้าเรารู้ก็เป็นประโยชน์อีกถอยหลังเพื่อจะได้มีแรงแล้วก็กระโดดลงไปก้าวกระโดดลงไปแรงๆย่อก็ดีกระโดดหยิบอย่งางเงี้ยกลายเป็นเรื่องของการมีปัญญาที่จะใช้การเดินทางอย่างถูกต้องแล้วก็มีเทคนิคในการที่จะแก้ลงของตัวเราเวลามันเฉยมันถอยอยังไงมันกระโดดไปข้างหน้า ย, ยัางไงมันออกแรงยังไง เราก็ได้เห็นมันเป็นเทคนิคขณะที่เราปฏิบัตินี่นะนะเรื่องอธิบายกันนึงว่าความต่อนเนื่องเหมือนกระดานที่เรานั่งเนะี่ยพื้นกระดานที่เรานั่งเนี่ยนะหรามันมีชิ้นเดียวสิมันจะมีประโยชน์ขนาดไหนเจ้าหลังคาเรามีแค่แผ่นเดียวมันจะมีประโยชน์ขนาดไหนเพราะความต่อเนื่องของหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นจนเต็มพื้นที่ของหลังคาเราอยู่กับฝนตกไม่เปียกตอนนี้มีเสียงน้ําหยดขึนมาเห็นมันลดตัวเราเลย มันกระทบสังสีปอกแปก๊กปอกแป็กไปมันก็จะเหมือนกับอารมณ์เวลามันมากระทบทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจของเราทรมีสติประธานรอบครอบตัวนี้มันก็เหมาะแก่ ง, งานกรรมาฐานทวันไหนก็ตามมันก็กระทบหล่นกระทบหล่นกระทบหล่ น, ท, ลนทั้งหมดมันเป็นความรู้สึกจากหยาบไปหาละเอียดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนการไหวนี่ไม่ธรรมดาเราเห็นการสัมผัส ข, ของกายเป็นการสัมผัสที่หยาบการสัมผัส ของลมหายใจมานสัมผัสที่จ ม, มูกก็อย่าเหมือนกันนะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาทุกเวทนาเนี้ยละเอียดลงไปความงงเหงาหาวนอนในละเอียดลงไปมีวัฒนธรรมเนี้ละเอียดลงไปในตัวละเอียดก็คือลักษณะของความสุขความรู้ต่างๆถงมงปริญญต่างๆนะที่เป็นเรื่องของกลไกที่มันมีอยู่รอบๆตัวเรานะที่มากระทบสัมผัสจนกระทังเป็นความสุขเป็นความทุกข์นันละเอียด มัเป็นลนักษณะของธรรมะธรรมชาติที่มันมีอยู่ในโลกนี้ไม่เกี่ยวกับกี่ปีกีป่ปีจะมีเราหรือไม่มีเรามันก็ไม่เกี่ยวนินทาสันเสรนมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ก็คาอยู่อย่างเงี้ยกับโลกเพราะฉะนั้นเราก็จึงเป็นลนักษณะของปัญญาชนหรือว่าลักษณะของกัลยาณปุทธชนหรือเป็นเรื่องของอริยชนในขั้นต่างๆระดับที่มันสามารถพาเราออกจากทุกข์ได้จริง เราต้องเห็นตัวเองกันปรากฏการทางวิทยาศาสตร์ก็ เ, เชื่อกันว่าโลกใบนี้โลกใบเนี้ยมันเกิดจากการพุ่งชนของอุกาบาตต่างๆลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างบางทีก็เป็นเรื่องของน้ําแข็งที่หลุดลงมาแล้วก็แทกลงไปความเย็นบางทีก็เป็นก้อนเหล็กเหลวร้อนเป็นลูกไฟใหญ่ก็แทกลงมา จนกทั้งมันมีลักษณะของการรวมตัวเป็นแกนโลกแกนโลกก็เป็นส่วนที่หนักที่สุดแล้วก็ขยายออกมาเป็นลาวาพ่นออกมาพลังงานความร้อนมีกระแสะแม่เหล็กทําให้ต้านพลังของลมสุริยะซึ่งตาตลังสีพวกนี้เข้ามาแล้วก็อยู่กันไม่ได้แต่เพราะกระแสะในตัวเขาที่มันเกิดจากการพุ่งชนอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการเทียบเคียงว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นการพุ่งชนของอีเลสมันพุ่งชนใส่บางทีเขาพูดว่าก็ไหมาแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อมันมีการรุ่มร้อ น, นมันเกิดขันติความอดทนอดกลั้นอย่างเงี้ยใช้เวลาต่อเนื่องเราก็ได้เห็นแล้วอ๋อมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มแข็งดีวันดีเกิ น, นขันติปรามังตโปติดติดขาพวกนี้ขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นทำเครื่องเผาอิเลสอย่างยิ่ง มันก็จะเกิดจากความต่อเนื่องนี้องอาการต่างๆของอิเลสเราก็จะได้เห็นมันเกิดจากการต่อเนื่องนี้เพราะนั้นการใช้ชีวิตก็จึงเห็นอาการต่างๆที่พุ่งชนเราเป็นราบสกาละหรือว่าเป็นความโลภวันนี้ได้เห็นเลยบางทีบุคคลก็พุ่งกระหาเราบางทีก็มีลักษณะของวจีกรรมพุ่งกระหาเราบางทีก็กายกรรมพุ่งเข้าหาเราบางทีก็มีมโนกรรมต่างๆที่แสดงออกมาพุ่งเข้าหาเรา เราก็เปลี่ยนทั้งหมดเป็นตัวปฏิบัติโดย น, นกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยตัวนีมันจะพลิกลายกายเป็นดีพลิกผิด ก, กายเป็นถูกพลิกจากความทุกข์เป็นไม่ทุกข์ความโกรธเป็นไม่โกรธคืนสุขภาวะปกติตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเรามีรถมีบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสก็ได้มาโดยชอบไม่ใช่เลยนะไม่มีเลยแต่ยิชาริษยานะคือตัวกิเลส ไม่มีแล้อยากได้ขนไหายอโรบมากนะคือตัวกิเลสเราได้เห็นชัดๆตรงนั้นแล้วะว่ากิเลสนะมันไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีอะไรแต่หมายถึงว่าข้างในเรามันโลบมันกดมันหลงมันรักมันชังเกี่ยวข้องกับวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามถูกต้องหรือเปล่ากิเลสมอยู่ตรงนี้นะตอนที่อยู่คนเดียวอ่ะไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเรายังทุกข์ใจอยู่นะกิเลสต่อให้มีทุกอย่างด้วย แต่ว่าถ้าใจเราสามารถที่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นและหยิบมาใช้ได้อย่างถูกต้องไม่ใช่กิเลสไม่เป็นเรื่องของการอยู่ด้วยปัญญาการอยู่ด้วยปัญญาเอาประโยชน์โดยอยู่แบบเอาประโยชน์เหนื้อถูกเนื้อผิดมันก็อยู่ตรงนี้เนือเหตุเนื้อผลก็อยู่เหนือการเปรียบเทียบก็อยู่เหนือกุศลอกุศลเนือบุญเนื้อบาปก็อยู่ตรงนี้นะถ้ามีกิเลสมีกิเลสโอ้คงจะไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของการปรับปราการพูดด้วยความคิด จริงๆแล้วเป็นเรื่องของแต่ละคนนี่ต้องกลับมารับผิดชอบตัวเราอยู่ยังไงไม่ทุกเนี้ยตรงนี้สําคญก็ต้องอยู่อย่างมีความรู้เนื้อรู้ตัวตืวต่นยันหลับเลยฝึกจนกระทั่งมันฉมังเลยนะเป็นมืออาชีพกรรมาฐานมืออาชีพตาดูก็รู้ได้หูฟังก็รู้ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นเล็บรสกายสัมผัสสมองนึกคิดปรุงแต่งรู้ได้อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาตแท้รู้ได้ ใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครเป็นมิตรบาปใครเป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่เราจะต้องเอาเป็นครูด้วยเราก็รู้ได้ต้องขอบคุณทีเดียวแหละขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกอย่างที่มียินโรคเนี่ยมันทําให้เราฉลาดทําให้เราฝึกความรู้สึกตัวแล้วก็ชํานาญเป็นเรื่องของการอยู่แต่ว่าอยู่แบบไม่เป็นอะไรอยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัว มันมีอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มาเป็นกับดักถึงดูดแต่บางทีไม่ใช่กับดักเพราะว่าวิปัสนาญาณมันมีกําลังมันเป็นตัวทดสอบกําลังสติจึงเป็นลักษณะของสะเทินสุขสเทินทุกข์มันจะสะเทินสุขมีสุขไม่ติดสุขมีทุกข์ก็ไม่ต้องติดทุกข์แล้วเป็นพระมาลัยไม่อารยตรงนี้มันมีอยู่เพะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเดินทาง ด้วยวิปัสสนาญาณจริงๆมันเป็นญาณขนส่งสู่การพ้นทุกข์เป็นญาณที่มันขนส่งจากผิดเป็นถูกจากบาปเป็นบุญจากอากุศลเป็นกุศลจากไม่รู้เป็นรู้ขึ้นมาจากละาการไหลลงสู่ความเสื่อมเป็นเรื่องของความโลภความกดความหลงมาสู่แล้วหงของความเป็นปกติของจิตเราจึงได้เห็นทุกๆความคิดจิมปรากฏขึ้นมา จะดีก็รู้สึกตัวจะไม่ดีก็รู้สึกตัวนะความคิดสลัดคืนสลัดคืนสลัดคืนสลัดคืนความคิดอันไหนที่เป็นตัวปัญญาเป็นลนักษณะของการรู้แบบว่าภิญญานะการรู้แบบอภิญญาหมายถึงว่ามันรู้ดันรู้ไปล่วงหน้าแล้วรู้แล้วรู้ถูกซะด้วยนะมันเป็นการประมวลเก็บสติติของจิตทําซ้ำๆเก็บซ้ําๆทําซ้าๆเก็บซ้ําๆดําก็ประมวลขึ้นมาน บางทีมันก็กลายเป็นเรื่องการรู้ล่วงหน้าเล็กๆนะรู้ล่วงหน้าเล็กๆมันมีข้งมันอยู่อย่างเช่นผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งแต่จริงๆมันก็หลายครั้งเลยแต่ครั้งนี้มันครั้งที่ทําให้เกิดความเข้าใจขึ้นไหมมีครั้งหนึ่งเคยเดินจงกรมอยู่กุฏิสิบสามแล้วก็อยู่ๆมันแว บ, บถึงหน้าคนขึ้นไหมคนคนนี้มันแว บ, บขึ้นมาเสร็จแล้วผอมันแว บ, บขึ้นมาปั๊บเนี่ย เราก็มีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับมีคลื่นพลังเลยนะมันมันมันอยู่ในวัดด้วยนะมันมีความรู้สึกก็เดินจงกลมอยู่แล้วก็เห็นมันเอ๊ะมันมีอาการอย่างนี้ขึ้นมามันเป็นอาการอะไรของมันไม่รู้เราก็ว่ามันคือความคิดแล้วก็ไม่เชื่อเนี่ยเราก็กลับมารู้สึกตัวเดินไปเดินมาไอคนเนี้ยมันโผล่หน้ากันไปคุณพรดานัยลูกศิษย์ของหลวงพ่อ ก็ขับรถกรันที่เราเห็นเนะ่มันโผล่ขึ้นมาเรากเออมันเปลี่ยนไปได้ยังไงแล้วตอนหลังมาฟังหลวงพ่อจรันท่านมาเทศอยู่ที่นะั่นท่านบอกอุย้ยท่านเนี่ยนะวิเศษมากสามารถที่จะเห็นเลยว่าเช้าเนี่ยใครจะใส่บาตรใส่บาตรแล้วใส่อะไรจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมากี่คนนั่นเห็นเลยนะมาท้ายสุดท่านบอกว่าเฮ้ยแม่ มันพิเศษขนาดนี้เหรอปฏิบัติธรรมท่านว่าอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่เชื่อนะท่านไม่เชื่อหรอกสิ่งเหล่าแี้ท่านไม่เชื่อผมเลื่มาผมก็ไม่เชื่อมันกันหรือแม่กระทั่งนิมิตที่สร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนิมิตอะไรบางอย่างมันมันมีความรู้สึกว่าคนจะเข้ามาวัดเยอะมันรู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่เหยียกรู้สึกว่าคนจะเข้ามาวัดเยอะจากความเห็นที่พิเศษวิโสอะไรหรอกมันก็เห็นคนที่มาเข้ามาที่วัด่เยอะแยะไปหมด จากวันอยู่วันแรกกับวันเนี้ยมันแตกต่างกันมันเห็นอยู่ว่าออกมีความแตกต่างแล้วมาแต่ละคนจะเรียกร้องอะไรบ้างความสบายความสะดวกเก็บข้อมูลไว้จิตก็มีแล้วหนะการจดจําแบบเนี้ละอะไรดีมันก็ทําอะไรไม่ดีมันก็เออไม่ได้สนใจก็แค่นั้นเองแต่ว่ามันเป็นลหน้าของการกระทาที่ความรู้สึกตัวนะมันทบทวนแล้วทบทวนอีกก็เรียกว่าผู้รู้ใครควรแล้วอย่างเงี้ยนะผู้รู้ใครควรแล้ว แล้วเลือกจะทํำยังไงจะติหรือจะเติมเต็มอย่างเงี้ยจะทำยังไงติดเตียนหรือว่าจะเติมเต็มมันก็ใช้เวลาพอสมควรมันก็เป็นความต่อเนื่องของการไข้ควรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันก็จึงเป็นลระนณะของการเหมาะกับการทํางานการประกอบกิจการการงานต่างๆการประกอบกิจการงานต่างๆทํำไมมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวน มันจะเป็นลนักษณะของการทํางานคือการปฏิบัติธรรมนะได้เหมือนกันหรวอ ก, การปฏิบัติธรรมคือการทํางานก็ได้เหมือนกันเมื่อวานที่อาจารย์แจ็คได้พูดถึงว่าหลวงพ่อมเขียนได้คุยกับธรรมามันเป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังให้ได้ยินจากปากมีครั้งหนึ่งนะมาทาห่อเอสราไตาลักษ์เนี่ยอันนั้นเป็นนิมิตมาจากกุญแจที่มันอยู่กระเพนผ่านไปหมด มันไม่รู้อยู่ตรงไหนมัง่งเวลาคนมานะ่มันตามหากันไม่เจอแ้วกุญแจน่ะร้อยหิ้วใสเอลนะมันหนักมากเลยผมและธรรมมาเฝ้ากุญแจอยู่ขนาดนั้นเน่ะเสร็จแล้วอยู่ที่กุฏิสิบสามคนไปเดินมามันก็ไกลเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่ากุญแจน่ะคนอยู่เป็นส่วนกลางก็สร้างสาราไตยลักภัยในสิบสี่วันจบมันมีกองไม้มีหน้าต่างกองอยู่ ก็เอามาทําเลยของใครไม่ได้สนใจอยู่ในวัดก็ของวัดนั่นแหละพิจารณาว่าเป็นคู่รูปพันธุ์ในวัดเมื่อพิจารณาเป็นคู่รูปพันธ์ในวัดแล้วก็อยู่และเก่าโดนน้ำโดนแดดแล้วก็ปวกขึ้นก็เห็นว่าจาทำปรมโยชน์ก็บางสกุลมาเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์เสร็จแล้วก็ช่วงนั้นจังหวัดนั้นขุดสระพอดีขุดสระก็เลยเอาดินที่สระที่ขุดเนะ่ย ตอนนี้สาที่ไม่ได้ขุดคือด้านซ้ายเป็นสามิยาสาว่าด้านขวาเนินสาที่วัดดูแลอยู่ก็ทําคันคูล่อเพื่อให้น้ํามันซับไม่มีสารพิษลงไปไม่มียาฆ่ า, าแมลงน้ํำซับลงไปใช้เสร็จแล้วต็เดินมาถมสลาไตลักษ์เมื่อก่อนตรงนั้นเป็นที่ลุ่มน้ำํำมีต้นลิ้นจี่แต่ว่ามันยืนต้น ต, นตาย ก็เลยเอาดินมาถมก็ไปเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จภายในสิบสีวันหลวงพ่อก็มาช่วยด้วยวันนั้นอามาเอาแผ่นปูนเอาแผ่นปูนไปวางทีละแผ่นวางทีละแผ่นวางทีละแผ่นอาตมาเห็นหลวงพ่อเนะีเอาแผ่นปูนโนะยนแมะโยนแมะสูงต่ําก็ไม่เท่ากันบิดเบี้ยวก็ไม่เท่ากันระยะก้าวก็ไม่เท่ากันซึ่งอาตมารู้ว่าลักษณะของวิชาการทางช่างเนี่ย เทคนิคก็มันก็คือต้องได้ดิ่งก็เรียกว่ามีครนะช่างมีครูได้ฉากได้ระดับได้ระยะแต่หลวงพ่อวางแหววางแหวบิดเบี้ยวเดินก็เดินใครเรียกว่าก็ย่องก็แย่งหรือว่าคนสูงอายุที่ไม่สะดวกเดินล้วมก็ไม่สะดว ก, กแต่ธรรมะในแหวเป็นระยะเรียบก้าวพอดีพอดีพอดี ถามหลวงพ่อแล้วแมงพ่ อ, พอวางงั้นเดี๋ยวผมทําเองหลง่อไม่ต้องทำก็ได้หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อทําแค่ยี่สิซ็นตงานนะใส่ใจที่แค่ยี่สิบอร์ซนี่ไงก็หมายถึงพ่อทำด้ว่ความรู้สึกตัววางกายวางใจที่เหลือทั้งห ม, มนเอาเฝ้าดูตัวเองเราก็เลยได้เข้าใจว่าโอ้ทำงานมีการวางใจเหนือสมมตุติแล้วก็เห็นหลวงพ่อได้ทำอีกการหนึ่งท่านทํางาน ท่านอยู่ๆไปเจอะประตูเลยนะที่เป็นอีกบล็อกรั้ววัดนะขโมยมันเข้ามันออกอยู่ช่องนั้นนะเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนจะมีช่องหนึ่งทางศาลาไก่แล้วก็เลี้ยวขวาไปไปออกข้างร้อยลาผ้าวินทบาทไม่มีรถสายท่ามาไฟหวานเนี่ยต้องมดรั้วเข้าไปและวข้ามสะพานเสร็จแล้วมีขโมยเข้าออกอยู่ประตูนั้นขโมยมาจากบ้านท่ามาไฟมาเคยจับมัดตีงล้เสร็จแล้วมดเข้ามามันเอาขโมยพระพุทธรูปนี่แหละ เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปทํารั้วไอ้เราก็คิดว่าจะต้องมีตู้เชื่อมต่อไว้ไปเสร็จแล้วก็ไปเชื่อมเหล็กเป็นประตูหลวงพ่อมาฮหลวงพ่อเอาลวดซึ่งเป็นเหล็กขนาดสองมิลสองมิลเอาไปมัด2อมิลลิเมะเอสองสองหุนขอพายสองหุนสองสมหหกมิลเมตรเอาไปอ้อมมัด เราก็ดูโอ้มันง่ายขนาดนี้ะนะถ้าเราเชื่อว่าหลวงพ่อกรูบอาจารย์ท่านมีธรรมะท่านรู้ธรรมท่านมีปัญญาจริงท่านมีความฉลาดเราก็เห็นปุ๊บเราเฉลียวทันทียนะโอท่านกําลังทําอะไรใช้สติปัญญาและใช้ลักษณะของความเป็นจริงที่มีอยู่ขนาดนั้นวัสดุอุปกรณ์นะแล้วทําออกมาให้เราได้เห็นลว่าใช้งานได้จริงแต่เรากลับไปใช้ความคิดหลายชั้นมาก คิดละเอียดคิดรอบครอบแต่ท้ายสุดงานยังไม่ได้ทําเลยเแต่ท่านไม่ได้คิดท่านลงมือทําแล้วลงานใช้ได้แล้วแต่ถามว่าถูกต้องไหมตามเทคนิคถ้าเป็นเทคนิคพื่นบ้านนะถูกต้องทีเดียวแต่เป็นเทคนิคคนรุ่นใหม่ฮนะไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นลักษณะของปุ้มเฟอร์บำเลอร์บำรงฟุ่มเฟย อ, อ, อ, อะไรเนะียเรากได้เห็นแล้วท่านทําให้ดูอยู่ให้เห็นเราได้สัมผัสปั๊บก็น้อมเข้ามาใส่ตนนะครูอาจารย์กาลังทําให้ดู แทนที่จะพูดให้ฟังท่านมา เ, เมื่อเปรียบเทียบแล้วนในโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมายถึงว่าคนทํางานจริงๆ น, นะในร้อเปอร์จะมีคนทํางานจริงๆอยู่20ที่เป็นผู้ชนานาญการหรือว่าเรียนจบปะนะในร้อที่เรียนจบจริงๆแล้วเก่งชนานาญนะย่สิบซนอกนั้น 80% ซก็คือพอผ่านพอผ่านไม่ได้ชนานาญการอะไร ใน20ซจะมีหนึ่งคนที่สามารถเป็นหัวหน้าได้แล้วก็การทํางานเนี่ยในร้อจะให้ได้งานมานะคนทาจริงแค่20่สิซหรือว่าเราทํางานจริงๆเนีจะได้ผลดีถ้าเราคนที่ตั้งใจจริงๆรู้จริงๆได้ผลอยู่ 80% ดแต่คนที่ในผลงานที่มันไม่ได้ออกมาดีอย่างที่คิดนะมีอยู่20ให้เราสังเกตสถิตินะ เ, เวลาปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราตั้งใจร้อในให้ทุมเทลงไปแต่ว่าผลที่ได้นะ อาจจะเป็นยี่สิบก็ได้สําหรับคนที่ไม่ศรัทธาสำหรับคนที่ศรัทธาจะได้แปดสิบอย่างเง้ยนะแต่ว่าจุดอ่อนก็มันจะมีอยู่20สบเซนตะที่ทําให้เราเหมือนก็ว่าได้มีนะการด้วยต่อไปนะรู้บ้างหลงบ้างหลงบ้า ง, ง, างรู้บ้างต่อไปเราก็ได้เห็นวความหลงจริงๆก็คือความรู้นั่นเองทุกครั้งที่เรารู้ว่าหลงเราเห็นว่าห้ามมันไม่ได้เลยนะความหลง เพราะว่ามันมันเป็นของมันเองสภาว่าของความรู้สึกตัวกันเหมือนกันมันก็เป็นของมันเองถ้ามีนะเราได้เห็นมันเป็นของมันเองบทมันจะรู้นะอ้าวมันก็กลับมารู้แล้วแล้วก็รู้ว่าหลงไปแต่ตอนที่หลงแล้วก็ไม่รู้เราก็บอกมันหลงไปแต่พอมันตัวหลงมันดับมันกลายเป็นความรู้มาเติมแทนอย่างเงี้ยเราก็รู้เอ้ยอ้าวมันเกิดดับของมันเองนี่ไงบางทีมันรู้รู้รู้รู้เรายาดจิดรู้อ้าวมันหลงของมันเองนี่ไง ดัง้นภาวะของการรู้คือรู้ว่าหลงก็รู้มันรู้ว่ารู้ก็รู้เป็นความรู้สึกที่ละเอียดลงไปแต่ว่าก่อนที่มันจะรู้ได้ขนาดนั้นก็คือให้มันรู้ว่าสัมผัสกระทบที่กายนะรู้สึกตัวทุกครั้งที่มีการกระทบสัมผัสที่กายรู้สึกตัวเห็นตัวรู้วิธีทำงานเป็นปกติอยู่ความเป็นปกติมันก็แสดงออกขึ้นมาขนาดหนึ่งมันรู้สึกตัวครั้งหนึ่งก็ปกติแต้มหนึ่งปรากฏขึ้นมาจนถ้งมัน ค่อนข้างที่จะเต็มในพื้นที่เราขยายผลออกไปจากห้านาทีเป็นสิบนาทีสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงบางทีมันรู้สึกตัวได้ครึ่งวันข้อนวันเป็นวันก็มีนะบางทีมันรู้สึกตัวได้เป็นหนึ่งวันสองวันสามวันก็มีนะมันรู้สึกตัวก็มันพอเราปฏิบัติเราเห็นตรงนี้เราจะรู้ว่าโอ้เวลามันหลงทีมีค่ามากเลยเวลามันหลงมาทีเนี่ยมันกระพริบมันมันเหมือนกับรุนแรงแต่ว่ามันเป็นอาการละเอียดอ่อนบางคิดมันละเอียดละเอียดหรือว่าอารมณ์ละเอียดมันแสดงออกมา ร้ว่ธรรมชาติกันกระทบที่เราไม่เคยรู้เนี่ยมันละเอียดะเสร็จแล้วพอมันรู้สึกคือมันรู้สึกรุนแรงมากเลยก็เลยมีการเปรียบเทียบกันว่าเวลาน้ําที่มันนิ่งๆขนนกขนไก่ล่นใส่ลงไปแล้ว่าฝุ่นทุเรีเล็กๆมันก็เพิ่มเนี่ยเราสังเกตได้ชัดมากนะรือว่ากระดาษขาวทั้งแผ่นเวลามีจุดเล็กๆเลอะลงไปนิดเดียวอ่ะมันจะชัดมากเลยะเสื้อผ้าของเราเหมือนกัน เวลาสะอาดๆ อ, อยู่แล้วเลอะนิดเดียวเป็นเวลาจิตเราสะอาดเราเห็นว่าเวลามาเกิดการกระเพื่อมเป็นละกษะของอกุสลและจิตเกิดขึ้นมามันจะชัดมากเป็นรูปรอยของผู้สนของอาุศลหรือว่คือความคิดที่เป็นปรากฏแต่ละขนามันจะชัดมากนะอันนี้แหละเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราจะต้องได้พบเจอกันทุกคนแต่างว่าเราสนใจใส่ใจการปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติทำให้เราได้เหมือนกับว่าประมาณ รู้จักประมาณกันนั่งการเดินการยืนการ น, นอนมันจะเป็นลักษณะของสุขาวิปะสะัสสโคทําอย่างง่ายๆสังเกตนะวิธีการหลงโปรเทียนนั่งยังไงก็ได้เก้าอี้ก็ได้นั่งเหยียดเท้าก็ได้แต่ขอให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวแล้วก็ลักษณะทําทําที่เป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอคือชาคริยานุโยคทําที่เป็นเครื่องตื่นก็คือตัวสติตัวสติเป็นชาคริยานุโยคทําตัวนี้ให้มันเชื่อมโยงต่อนเนื่องนะ ขณะต่อขณะขณะต่อขณะวินาทีนึงรู้ขั้งหนึ่งนะเกินไหวรู้สึกเกินไหวรู้สึกให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นระณาของเครื่องตื่นถ้ามันหลออมันหลงเผลอแล้วก็มันมันงอกง่วงเแี้ยก็แหวกออกมาหาการกระทบสัมผันสในว่าชาคลิยานุโยกมีเทคนิคต่างๆช่วยตัวเองรายกานก็คือสํารวมตาหูจหมูกินนกายใจสังวรหินรีสังวรดนะ้วย ตาไม่ดูได้เราก็ไม่หาดูหูไม่ฟังได้เราก็ไม่หาฟังคําพูดเราไม่พูดได้เราก็ไม่พูดตัวนี้เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวสํารวมจริงๆประมาณในการบริโภควิธีการที่ลัดๆสั้นๆก็คืออยู่แบบไม่เอาอะไรเลยอยู่แบบไม่มีอะไรเลยแล้วใครอยาเอาอะไรมาให้เดี๋ยวให้เขามาให้เราเพราะนั้นอาตมาปรนนาไว้เลยนะญาติโยม ญาติโ ย, ยมที่ตั้งใจไปปฏิมาประวนาไว้ว่าได้มาก็ดูออกถ้าขาดอะไรเดี๋ยวจะไปเติมเต็มให้ปรมวนาไว้ตรงนี้ขาดตัวไหนเดี๋ยวไปเติมเต็มให้หรือว่าถ้ามีอะไรที่มันต้องการจริงๆมาบอกกันพระจ๋านี้นะถ้าหลวงพ่อมาอยู่อาจารย์ไปสายมาอยู่มาบอกกันอาวะเห็นว่าจะเติมเต็มให้ได้เพราะว่าตอนนี้มันก็มีอะไรพร้อมพอสมควรเช่นมีรถหนึ่งคันนะตอนเนี้ มีรถอีกหนึ่งคันรถคันนี้ให้รู้ไว้ประกาศจัดตอนนี้ด้วยว่าอาะไรก็คิดอยากได้หรอกตอนเป็นโยมมาก็มีรถหลายคันอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในวัดเนี้ยนะอาตมาไม่เคยไปยุ่งรถวัดเลยเพราะมันเป็นคนที่ไม่ชอบรถที่ไม่ชอบยิ่งเห็นพระขับรถเนี่ยบอกไม่ชอบอย่างมากมีโยมเคยตามเข้ามาในวัดหลายครั้ง เห็นพระขับรถก็ตามมาดูอยู่วัดไหนแล้วก็พระลูกนั้นคือใครมาเจออาตมาสนทนาหลายครั้งแล้วก็อีกอันก็คือเวลาไปสอนธรรมะที่อื่นสอนไม่เธอพูดไปเถอะแต่ท้ายสุดคําถามที่มีก็คือพระขับรถในบาปไหมอาตมาก็ตอบคำถามมาหลายที่แล้วจนทั้งมาถึงเหตุปัจจัยของอาตมาตอนเนี้นะหลายครั้งหลายหนที่คนบริจาครถให้ การสอนธรรมะนี่มีพลังนะแล้วคนเวลาเกิดบุญขึ้นมามันเทแหลกมันถวายรถรถตู้ก็เคยรถแวนก็เคยรถปิกอัพก็เคยรถเก๋งก็เคยเอามาไปเสดมาตลอดแม้กระทั่งกุฏิสาราอะไรพวกนี้ก็ตามมันก็อันอั น, อ, นอันอยู่ท้ายสุดก็คือเป็นระนาที่ว่าหลวงพ่อมเขียนเนี่ยรับรถมาจากคนตุกที่จอดอยู่ทุกวันนี้เมื่อรับรถจากคณตุกเนี่ย พุทุกเป็นคนใจบุญนะลรวก็รู้กัเนินวเดชกูเนี่ยเป็นคนใจบุญมากมาเสร็จแล้วเอารถคันนี้มาถวายให้กับวัดหลวงพ่อก็บอกว่าอาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์ทรงศิลป์เนี่ยไม่เคยใช้รถวัดเลยไปไหนก็ไปสอนธรรมะเนี่ยก็อาศัยรถคนอื่นคนที่ก็นิมนต์ไป่องทีอยู่เฉยๆแล้ววันใดวันหนึ่งมีโยม้ามา ตรงกับที่เราจะออกไปแล้วก็อาใส่รถยนต์ไปมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดอาจารย์ทรงศิลก็เอารถไปไปดูเรื่องกรรมฐานก็ใช้รถคันเนี้ยไม่ได้รับไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้พูดสักคำว่าเอาหรือไม่เอาท่านเอาคุณแจมาให้เมื่อท่านยื่นให้แล้วก็แบมือรับมันเหมาะสมไม่โยมเพราะฉะนั้นเมื่อรับแล้วเนี่ยรถคันเนี้เนี่ย ผมรถมาเลยดํำริว่าเมื่อรับแล้วเนะขอดูแลให้สมกับบุญของยอมนะก็ให้ไว้พราะรถถ้าเป็นสารนะพังทุกคันเราไปดูนะมันพังเราเคยใช้รถมาเราก็รู้ว่ารถมันเป็นยังไงชื่อรถเนี่ยมันรถยังไงเส็จแล้วามาก็เลยเอามาดูแลเสามีอยู่สี่ต้นวางอยู่เสาไม้อาจามาทำโรงรถโดยใช้ของที่มีอยู่ แันที่จะกองไว้ให้ปว่กินเนี่ยเอามาจับตั้งไว้พร้อมรื้อไปอย่างนี้นะ<ม>หลังคาออกแบบง่ายๆเป็นสี่เหลี่ยมวางธรรมดาธรรมดาเลยวางลงไปพร้อมรื้อเอาเหลยว่าทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกหรือยกไปไปทําตรงไหนก็ได้ยกไปได้เลยแต่ตอนนี้รถมันอยู่ตรงนี้ก็รักษาปวะโยชน์จากมันเรียว่าประโยชน์กระจายขนส่งน้าปานะกะจายขนส่งอาหาร ใช้ตะเวนรอบวัดคนตีพึ่งใช้เดินทางไปสอนธรรมญาติโยมถามว่าเหมาะไหมพ า, ายใชย่งี้เหมาะไหมสมควรไหมโยมว่าสมควรไหมอันนี้หาเลยใครว่าไม่สมควรยกมือใครเห็นว่าสมควรยกมือยกมื อ, อ, อถามแม่ชีการแม่ชีการ ถามเน้นที่ไม่ยกมือเนี่ยเห็นว่ายังไงฮ เ, เห็นว่าไงแน่นะแน่นะว่าเฉยเฉยนะแน่นะเพราะมันเป็นข้อก่หัรถคันเนี้ยบอกเลยจะแก้ปัญหาลอาตมาเนี่ยไม่ใช่เฉยเฉยนะจะแก้ปัญหาว่าแต่มาก็บอกว่าใครไปยืมรถคันนี้ได้สามครั้งอามายกให้เลยไปยืมสามครั้งโดยมีเหตุผลพอว่าเอาไปทําอะไรจะยกให้ เนี่ยไปดูต่อแล้วก็มีคันนอาจารย์วัชชัยตอนนี้มีคันหนึ่งมีมีรถอีกคันหนึ่งที่เจ้าภาพก็จะนำมาถวายให้เป็นรถไปแดงแต่มายังไม่รู้ผมยังไม่รู้ว่าเป็นรถบีห้ออะไรยังไงเขาดำรีมานานมากแล้วกระทั่งมาถึงวิทาทีนี้เขบอกว่าอาจารย์ไปสอนรรเนี่ยมันมีคณะมีญาติโยนติดตาม รถคันนี้เนี่ยเขาจะดูแลเองชื่อของเขาทั้งหมดการใช้จ่ายในการดูแลทั้งหมดก็จะดูแลเองแต่ละปีทําประกันก็จะดูแลเองเสียค่าทะเบียนต่อทะเบียนก็จะดูแลเองชนเฉี่ยวก็จะรับผิดชอบเองแล้วก็จะให้เป็นคนขับรถนีใครใครขับรถเนี่ยเขจะให้ค่าจ้างด้วย ก็หาคนขับรถให้ด้วยเียทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่อาจารย์นะใช้ให้มันเหมาะสมกันแล้วกันจะทำยังไงพวกเราไม่เอาเน้นก็นง่ายแต่ผมและอาตมามองว่าการไม่เอาการปฏิเสธเนี่ยก็คือตัวตันหาเหมือนกันตัวที่รับไว้โดยที่เรามีความโลภอันนี้ก็คือตัวตันหาเหมือนกันวัดวาลามเกิดจากคนใจบุญ วตาร า, าเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองเป็นโทษก็มีโทษนะถ้ามาแยกแยะนะถ้ามองว่าเป็นบุญเป็นคุณมันก็เป็นบุญเป็นคุณถ้ารู้จักใช้นะอย่างกุฏิสาราเนี่ยคนใจบุญมาสร้างไว้เนี่ยถ้าใครมากินกินนอนนอ น, น บ, บาปทางนั้นเนีบอกให้มิระบาปติดตัวไปแต่ถ้าใครก็ตามที่มาแล้วก็แล้วว่าปฏิบัติธรรมเรามีสติปัญญาแล้วก็ตัวเองไม่ทุกข์แล้วก็ช่วยคนอื่นไม่ทุกข์ได้โอ้โหมันยิ่งกว่าอะไรซะอีกชีวิตนี้ที่เหลืออยู่อ่ะ ให้ทำมาเป็นทานจะทํำยังไงกันพวกเราเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกเนี่ยเป็นเรื่องของต้องรับผิดชอบตัวเองกันถ้าผิดกเ็เราก็ต้องรับผิดชอบถ้าถูก เ, เราก็ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องใช้ชีวิต ร, ร่วมกันแบบนี้จะล้ะจะว่ายังไงอีกอันก็คือลักษณะของที่นี่มีกองทุนกรรมฐานอาตมาตั้งกองทุนกรรมฐานขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่ง เวลาไปสอนทํามาเนะี่ยมีแน่นอนนะก็ให้ซองมาเคมีปัญหาแล้วล่ะเรื่องนี้เอามาคือมีประสบการณ์ตรง14ปียุทธจักรดงกรมินเนะ่ะมันมีปัญหาแล้วเห็นคนที่มันมีกิเลสเห็นคนที่มันอิจฉาริษยาเห็นอยู่นะเห็นคนที่มันพยายามที่จะจับผิดเพ่งโทษเห็นอยู่บอกตรงเราก็เห็นแล้วถามว่าเป็นเราเราจะทําไงทุกสิ่งอย่างใช้คําว่า มันเป็นเหตุปัจจัยเขาหยิบยื่นซองให้ไงทําไงเราต้องรู้จักเก้เาอี้สาลาทางเดินจนกรมนี้เป็นผลมาจากการที่เราสอนทะแล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้มาดนั้นคืนให้วัดคืนให้วัดให้รับรู้รับทราบไว้นะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์จิตเราว่าบริสุทธิ์เพราะว่ามันได้มาโดยชอบะ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างชี้ได้ว่ า, าใครเอามาใครเอามาใครามามีอยู่ครั้งหนึ่งจะเล่าให้ฟังมาเจอครั้งหนึ่งน่ยมีกลุ่มศึกษาแนวทางชีวิตมาที่นี่มีคนคนหนึ่งคุณดาวคลี่คุณนิสก็มาที่นี่มีคนคนหนึ่งคุณแหม่มก็มาที่นี่มาอยู่ที่นี่นะมาอยู่ที่นี่เสเร็จแล้วก็ถวายอาหารอย่างดีหลวงพ่อป่วย เป็นอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องไดเรกเซลล์นะเสร็จแล้วไปทำงานกันอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อตอนนั้นกุฏิหลวงพ่อนะดำบีสร้างมากสร้างกันด้วยคนกลุ่มนี้ภายใน19วันสร้างเสร็จเสร็จแล้วอาหารเนี่ยมันมันอยู่เป็นอาหารกระป๋องอะนะปรากฏว่าหลวงพ่อไม่ได้ฉันนะเพราะว่า คนก็ไม่ได้ชงถวายหลวงพอ่อของพวกนี้ไม่ได้ถูกใช้ตามํำรีรสเจตนาของญาติโยมเขาไปเห็นเขาก็เลยเอาอาหารกระป๋องนี้มาถวายกับผมหรืออาตมาแต่วันที่วันที่เขาหยิบไปนะปรากฏว่าเป็นวันที่หลวงพ่ออาจารย์ตุ้มกระไนี้ไปที่โรงพยาบาลจุฬาเสร็จแล้วกลับมาเขามาหากันว่าอาหารอันนี้หายไปไหน หายไปไหนปรากฏกระป๋องอยู่ที่กุฏิก้าวไปวางกันไว้ชงอยู่นั่นตั้แต่นั่นมานะมาก็มองดูว่าโอ้โหอันตรายมากเลยการอยู่กันถ้าอยู่แบบไม่มีปัญญานะอันตรายไหมยอมว่าอันตรายไหมบางทีของอยู่เปลี่ยนที่ไปผิดที่เนะี่ยเราไม่รู้ว่ามันหายไปยังไงเงี่ยดังนั้นอยู่ร่วมกันจะต้องรักษาใจเราเองบางทีคนก็เข้าใจบาง ท, คางทีคนก็ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เป็นไรนั่นคําว่าไม่เป็นไรยังเกิดขึ้นมาในใจเรา ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรในใจเราถ้าเรามีความเป็นปกตินะเราจะผ่านโลกได้เพราะฉะนั้นการผ่านโลกมันไม่ใช่แค่นี้นะมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราได้หันกลับมายิ้มกับตัวเองว่ามันคืออะไรนะไม่ต้องให้คนอื่นเขายิ้มให้เราเข้าใจเรานะแต่ถ้ามีโอกาสเราก็ต้องทําความเข้าใจนะเท่านั้นเองแต่ว่ารอได้คอยได้นี่เราคือการรอคอยละเพราะฉนั้นทำมานี่มันเะป็นเะรืนะ่องของเวลา ที่เวลาเราผ่านไปใช้ชีวิตไปนะเราทุกอย่างไรไม่ทุกอย่างไรแล้วใช้วิชากรรมฐานอย่างไรที่คลายว่าเวลาทุกมันเปลี่ยนได้เป็นความปกติหรือว่าแก่เป็นปกติเจ็บเป็นปกติตายเป็นปกติพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นปกติหรือว่าปัญหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นปกติเราจะว่ากันยังไงกับพระพร้อมกัน